พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสาลำดับที่17เจดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่ย0สิบเมษายน2556ห้าหสมีชื่อเรื่องว่าเมื่อลาสิกขาแล้วก็อย่าลาศีนลาธรรม วันนี้เป็นวันที่20เมษายนพุทธศักราช2556กลุ่มนักศึกษาแพทย์มหิดลที่เข้ามาบวชเข้ามาแต่วันที่16มีนาแล้วก็อุปสมบทบวชวันที่24มีนา จากวันที่24มีนามาจนถึงวันที่20เมษายนเป็นวันลาซิขาที่กำหนดกันไว้ก็ถึงวันนี้พวกท่านทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเป็นเวลาหลายวันนับตั้งแต่วันที่16มาถึงวันนี้ เป็นเวลาหลายวันเขามาอยู่ในวัดวาศาสนาขอให้พวกเราที่เข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์หรือเป็นประโยชน์มีอะไรบ้างที่มองดูแล้วไม่พึงปรารถนาโดยสิ่งที่ไม่ดีมันต้องมีทั้งสองอย่างทั้งสองเงื่อนหลวงพ่อว่านะ แต่ว่าถึงยังไงเงื่อนไหนมากกว่ากันแต่ลุงพ่อคิดว่าถ้าว่าเรามองมุมของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลุงพ่อมั่นใจว่ามุมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีที่ต่ำหนิไม่มีที่ต่ำหนินเลยพูดอย่างนั้นได้แต่ถ้าว่าเรามองมุมคือมุมของบุคคลหรือมุมสถานที่หรือมุมการเป็นอยู่อันนี้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่าเรามองอการบริหารประเทศถ้าเรามองมุมกฎหมายกฎหมายก็ยังเราก็ยังมองดูว่ากฎหมา ย, ยถึงยังไงก็ยังมีที่ตำหนิอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติอีก ในการนำมาประพุทธปฏิบัตินี่ก็ยังมีการเหลื่อมล้ำกันอีกและก็ น, นําคนอีกที่มาปฏิบัติตนั่นแหละตัวคนนี่แหละทีนี้มากมายทีเดียวเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเรื่องคนทีนี้แต่ว่ากฎหมายก็ยังมีก็ยังมีอยู่กฎหมายบ้านเมืองก็ยังมีอยู่แต่นี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์ถ้าเราดูแล้วเนี่ย หลักพระธรรมินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาที่ตำหนิไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในยุคของเราที่ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่มาถึงยุคของเราเนี่ก็เออมีบ้างเพราะว่าผ่านการผ่านสมัยมาก็จุดที่ยังขาดเหลือขาดตกเพราะมันเป็นยุคนี้แล้วพอยกตัวอย่างได้ไหมที่ว่ายุคนี้เนี่ยกับยุคครั้งพุทธการคืออะไร คือถ้าว่ายุคนี้คือพวกเครื่องยนต์กลไกลต่างๆอย่างเครื่องบินรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรเนี่ยแต่หากว่าในครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านคงจะบัญญัติวินัยให้คณะสงฆ์มากพอสมควรแต่จำนวนเก่าก็คงคงจะยกเลิกไปถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แต่หนูนถึงนี้ ก็คงจะบัญญัติพินัยเข้ามากับยุคกับสมัยกับการสถานที่และชุมชนกลุ่มคนแต่นี้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วพระองค์ก็บัญญัติว่าห้ามถอนที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ให้สมาทานตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เพ็กซูใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสง์ ก็ให้เคารพนับถือถ้อยคำของท่านลักษณะอย่างนี้ใกล้เคาว่าห้ามถอนแล้วก็ห้ามบัญญัติห้ามบัญญัติเพิ่มเติมแต่ในนี้ทั้งนั้นมาถึงยุคนี้เราก็แบบอนุโลมหรือสงเคราะห์เข้าว่าดูแล้วมันไม่เหมาะก็เห็นมนลงปติกัน อย่างพ hmm. ิก네สุขับรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมองให้เห็นแต่ส่วนอื่นมากกว่านี้ที่ยังไม่ได้บัญญัติในครั้งพระพุทธเจ้าเพราะนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ถึงขนาดนี้ผมคิดว่าพระพุทธองค์คงจะบัญญัติที่ไห อันพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดวาศาสนาทีนี้มาถึงพวกเราทีนี้พวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาคงจะมี ต, ตำหนี้ในการเป็นอยู่ของพวกเราหรือพระสงฆ์หรือคณะชาติญาติโยมหรือกลุ่มไหนแต่ผมมั่นใจว่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้นั้นเป็นหลักเหตุผลทําให้พวกเราประพฤติปฏิบัติและพวกเราอาจจะย่อหย่อนในหลักธรรมพินัยเหล่านั้น แล้วก็ได้ไม่ปฏิบัติตามแต่เมื่อไม่ปฏิบัติตามนั้นพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าถูกไหมแต่เมื่อกระทำพวกท่านด้วยความโลภโกรธหลงพวกท่านก็อาจจะมองไม่เห็นแต่เมื่อพวกท่านทำผ่านไปแล้วแล้วจิตมาย้อนหลังทีหลังพวกท่านทั้งหลายก็คงจะบางทีอาจจะเสียใจ แต่บาง เ, เรื่องอาจจะตำหนิตัวเองว่าการกระทําเช่นนั้นไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเออพราะว่าผิดต่อหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ผมคิดว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ในความคิดผมมั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะ ลำลึกได้ในลักษณะอย่างนี้แต่เอาเถอะที่มันก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วต่อไปก็ให้พวกคณะพวกเราลูกหลานที่จะได้ลาศิกขาในวันนี้ที่ผมพูดแล้วพูดอีกถึงผมจะไม่ได้มาพูดด้วยตนเองบางวันบางครั้งผมก็ให้พวกพระพี่เลี้ยงที่เป็นผู้อยู่ก่อนได้คัดสรร พระธรรมเทศนาหรือว่าแนวทางของผมที่เคยสอนบอกกล่าวให้แก่รุ่นก่อนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราที่รุ่นหลังได้ยินได้ฟังท่านเหล่านั้นก็ได้คัดสรรมาผมก็บางครั้งก็ขึ้นมาก็ได้ฟังที่ผมได้พูดถึงยังไงผมก็ยังรับรองคำพูดของผมที่พูดผ่านมาแล้วนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมก็ยองยอมรับว่า ถ้าผมพูดอีกผมก็คงจะพูดอย่างนั้นให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมคาสอนที่ผมอัดใน MP3 ผมก็มั่นใจว่าผมพูดออกไปแล้วนั้นมีแต่อ้างหลักเหตุผลมาให้กับพวกเราที่เป็นลูกหลานที่เข้ามาศึกษาเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เรื่องพุทธธรรมอ่ เรื่องกรรมฐานตลอดถึงจริยธรรมคือความประพฤติที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าเพราะอนาคตของพวกเราท่านทั้งหลายยังยาวไกลเดี๋ยวนี้ก็เพิ่ง20กว่าปีที่ยังเป็นนักศึกษาบางครั้งก็ในใจของเราอาจจะรุนแรงหรือว่ามองในมุมใดมุมหนึ่งสุดโต่งเกินไปเพราะเป็นเด็กหนุ่ม ยังไม่ได้ผ่านโลกผ่านสงสารมานานแต่ถึงยังไงก็ต้องอาศัยผู้ที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมานานมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาได้สํานึกแต่ถ้งว่าพวกท่านทั้งหลายไม่มีทิฏฐิมานะมากจนเกินไปพวกท่านก็คงจะหยุดสะดุดหรือหยุดฟังผู้ที่ผ่านมา ก่อนเล่าว่ามีปัญหามีอุปสรรคอย่างไรแต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายแบบดันทุลังไม่เชื่อคําใครอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันจนกว่าตัวเองไปเจอด้วยตนเองอแล้วก็ทุกข์ยากลําบากแก้ไขจนเกือบจะไม่ตกด้วยตนเองอันนั้นก็ถือว่าเป็นกรรมของสรรพสัตว์ที่บอกกล่าวแล้วแนะนําแล้วไม่เชื่อฟังอันนี้มันไม่ใช่แต่ มีแต่เมตตาอย่างเดียวนะในหลักธรรมคำสอนของพระพรุทธเจ้ามีทั้งเมตตากรุณามมทิตาพระนิพุตก็ต้องวางอุปเบกขานี่ะคือไม่ให้หนักใจจำหรับผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวถ้าเมตตาที่แรกก็ต้องเมตตาต่อมากะกรุณาโมทิตาจนดี อุเปเเกขาผลสุดสุดวิสัยที่จะช่วยเหลือได้ก็ต้องมีทำจุดนี้ขึ้นมาอีกเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากให้ถึงขนาดถึงอุเเกรดขาในชุมชนประเทศชาติพ่อแม่พี่น้องคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้วางอุเเกรดขากับเราพอเราเนี่ยมันเหลือขออย่าให้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราสําเนี๊ยก และจำลึกไว้อยู่เสมอว่าข้าพเจ้า เ, ออเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองมาแต่ดึกดำบันต้องลํำลึกถึงพระคุณของชาติที่ได้เลี้ยงดูเรามาอย่างที่ผมได้พูดว่าเราเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่เด็ก โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใครเป็นคนสร้างเงินภาษีพี่น้องประชาชนเครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงที่นํามาสอนให้กับพวกท่านเอาเงินใครซื้อมาที่เป็นเอามาสอนพวกท่านเครื่องมือเหล่านั้นรถที่เรานั่งเหล่านั้นไปเรียนหนังสือเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนครูบาอาจารย์ที่มาสอนพวกเราตั้งแต่ปฐมจนถึง ขณะนี้ที่เรายังไม่จบเป็นเงินใครเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนการลงทุนทุกอย่างมันต้องมีลงทุนซะก่อนจึงมีกําไรอันนี้พวกท่านทั้งหลายต้องสํานึกไว้ในใจไว้อยู่เสมอในจุดนี้เพราะว่ามีทุนมีการลงทุนซะก่อนยังมีกําไรไม่ใช่ปู ป, ปรับมาแล้วก็จะเอากําไรอย่างเดียวการลงทุนนั่นแหละคือ ใครเป็นคนลงทุนฟังแต่ว่าภาษีพี่น้องประชาชนเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ลงทุนถึงเขาจะเจตนาดีไม่เจตนาให้ก็ตามเพราะเขาอยู่ไกลแต่ถึงยังไงเขาเสียภาษีออกไปแล้วอยากจะให้มันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติจะ ท, ทําถนนนทางก็ได้สรั่งลงล้โรงเรียนก็ได้สร้างบุคลากรก็ได้สร้างใครก็ได้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองไม่มีใครหรอก ที่จะเสียภาษีไปแล้วใหไปไปซื้อปืนซื้อยาบ้ามาให้ข่ากินเอาปืนมายิงข้าหรือ ม, มาทําร้ายทำลายข้าไปจ้างคนมาฆ่าข้า ค, คงไม่มีใครผู้ใดคิดอย่างนั้นมีแต่คิดว่าอยากจะเมื่อเสียภาษีไปแล้วอยากจะให้ประเทศชาติรุ่งเรืองมีความร่มเย็นตัวเองก็เมื่อมีอุปสรรคยังไงก็ เงินภาษีเหล่านี้จะได้มาช่วยเราไปทไหนถนนหนทางก็จะได้สะดวกสบายตลอดถึงลูกหลานของเราก็จะได้เรียนหนังสือเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วก็ได้ทําการทํางานแล้วก็ผู้ที่ได้เรียนระดับไหนก็ได้จะได้ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองจะได้ร่มเย็นเป็นสุขเราก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุข อ, อย่างทุกวันนี้นะ ภาษีพี่น้องประชาชนถ้าว่าเขามาแย่งชิงดินแดนอย่างเขาพิหารกาลังพูดกันอยู่ดังอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้ก็อยากจะให้บุคคลคนในชาติของเราที่มีความรู้รู้ภาษาไปต่อสู้ไปชี้แจงไปแนะนำให้โลกเขาได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็คือภาษีพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่เป็นค่าเครื่องบินค่าดาเนินการค่าอะไร คือให้เป็นปกป้องประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยให้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันสิ่งเหล่านี้อยากจะให้ลูกหลานชั้นปัญญาชนทั้ง12นักศึกษานี่แหละเมื่อออกไปจะเป็นผู้ใหญ่อีก3ปีข้างหน้าก็จะเป็นหมอละในเมื่อเป็นหมอแล้วก็อยากจะให้ใช้จติตใช้ปัญญาใช้แนวความคิดเออไม่ใช่ว่าใช้แต่พาณิชย์ ใช้แต่ความโลภใช้แต่ความอยากอย่างเดียวควรจะใช้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมองดูพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่าเป็นผู้มีเป็นญาติของเราผู้ให้พักเป็นผู้มีอุปการะคุณสำหรับพวกเราอย่างหลวงพ่อนี่เป็นต้นหลวงพ่ออยู่กับพี่น้องประชาชนชาวชนบทที่ยากจน เขาใส่บาทเข้ามาหลวงพ่อยังให้ศีลให้พรเขาแล้วก็เขามีอะไรเดือดร้อนหลวงพ่อยังช่วยชงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เขาในจิตในใจก็แผ่เมตตาให้กับเขาอีกให้เขามีความสุขความเจริญได้ได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาได้ทําบุญกับหลวงพ่อหลวงพ่อยังรำลึกถึงพระคุณอยู่อย่างที่หลวงพ่อได้ยกพระราตพามพระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก ในพระพุทธศาสนาพระราตพามใส่ข้าวเพียงทัพพีเดียวถวายภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรยังไม่ลืมไม่รู้ว่ากี่ปีจนได้แทนพระคุณคือได้อุปสมบทได้บวชให้ราตพามแล้วก็ได้สอนธรรมะให้ราตพามจนราตพามได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้รับเอเตทะฆาอิได้รับความยกย่องจากพระพุทธเจ้า พระราจพามเป็นผู้บวชภายแก่แต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายกว่าภิกษุทั้งหลายได้รับเอตตคฆะได้รับความยกย่องจากพระพุทธเจ้าอีกต่างหากเพราะนั้นผู้มีปัญญาย่อมรู้พระคุณต่อผู้กระทากับเราอย่างภาษาริบุตรเป็นตน้นเว้นเสียแต่ผู้ที่โง่เ ง, ง่าเต่าตุนมีเห็นแต่ความโลภความโกรธความหลง มีแต่ความโลภมองไม่เห็นกิเลสราคะโทสะโมหะปิดหูปิดตามองไม่เห็นคุณงามความดีของใครอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะให้เป็นอย่างนั้นพวกเราที่เข้ามาศึกษาธรรมะเป็นชั้นปัญญาชนเพราะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานที่จะศึกในกี่วินาทีไม่ข้างหน้านี้ และก็พร้อมกันเมื่อเราลาสิกขาไปแล้วก็ให้ทำหน้าที่มั่นขยันให้รับผิดชอบในชีวิตของเขาด้วยพี่น้องประชาชนที่เข้ามาให้เรารับรักษาเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพื่งหมออย่างสุดๆทั้งพี่น้องของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนป่วยที่เข้ามาหาหมอเขาก็หวังว่าเขาจะหายจากโรค มากระตาใสาแป๊วพึ่งพาสายหมอเกือบจะว่าร้0เปอร์เซพูดอย่างนั้นได้ถ้าว่าหมอมีน้ำใจหมอมีเมตตาหมอมีความเอือ้อเฟื้ออื้ออารีมีความเมตตาต่อเขามีน้ำใจกับเขาเขาก็ยิ่งมอบความไว้วางใจทุกอย่างให้กับเรา เมื่อรักษาหายแล้วเขาก็ยังลํำลึกถึงพระคุณของหมออีกต่างหากอันนี้คือพี่น้องประชาชนผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขามาพึ่งพาหมอแต่หมอเราก็ต้องใช้วิชาจุดความสามารถของเราแต่ว่าเรื่องสิ่งที่ทดแทนมานั้นเราก็เอาตามความเหมาะสม คำว่าเหมาะสมคำนี้ก็คืออะไรไม่ใช่ว่าโลกเขาทําเราก็เอาอย่างโลกของเขาโลกประเทศชาติอื่นที่หมอคนอื่นเขาทําเราเอาตามเขาอย่างนั้นอันนี้เราเอาตามเนื้อผ้าจะดีกว่าเนื้อผ้าเนี่ยผ้าพื้นนี้จะใส่สีขนาดไหนอันไหนขนาดไหนก็คือความเหมาะสมไม่ใช่ว่าเขาเคยทํำยังไงเราก็ทําอย่างที่เขาทํา มาก่อนบางทีมันก็จะหนักเกินไปบางทีมันจะเบาเกินไปแต่บางที่เบานันคงจะไม่มีล่ะเพราะว่าผู้เดินก่อนเราเนี่ยโดยมากเป็นทพานิชหรือว่าเป็นหมอที่อยากจะรวยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนถ้าเขากท่านเหล่านั้นเขคงจะไม่คิดหรอกอยากจะลวยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของคน เ, เขาแบบักธนาว่ า, วาสวยโอกาสเออย่างนี้จะเหมาะกว่า เพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้สังเกตไหมเวลาไปหาหมอหมอบอกราคายาเท่าไหร่ไม่มีใครต่อรองเรื่องราคายา เ, เขาควักใข้แต่ใ น, นความในใจของเขานั้นพอใจไหมออพอใจไหมเขาคงไม่พอใจเพราะยาเม็ดหนึ่งราคาเขาก็รู้ออกมาตลาดแล้วเขาก็รู้ว่ายาเม็ดนี้ราคาเท่าไหร่ยิ่งเขาเป็นคนพิถีพิถัน เป็นคนที่รอบครอบจะแล้วเขาก็ต้องโทรศัพท์ไปร้านยาทั้งหมดหรือบางทีร้านยาเขาไปรักษาอีกต่างหากเขารู้จักประยานี่ราคาเท่าไหร่แต่เขาก็มองดูแลโอ้โหมาไมหมอถึงคิดค่าวิชาราคาหมอยานแพงถึงขนาดนี้แต่เขาก็พูดไม่ออกแต่ในใจของเขานั้นเขาอึอ้งในใจ เพราะนั้นคนทั้งหลายยังเคยพูดอยู่ว่ า, าหมอคลินิกใดก็ตามาถ้ามีปัญหาหรือว่ามีการทำบุญหรือมีการล้มหายตายจากอะไรลักษณะอย่างนี้จะเป็นตำรวจทหารอะไรก็ตามเป็นพวกอายการพวกอะไรก็ตามนักกฎหมายตำรวจอะไรก็ตามที่ทำกับพี่น้องประชาชนโดยมากคนทั้งหลายจะขยะแขยง เพราะเหตุไรไม่อยากจะเข้าไปใกล้ถ้าไม่จาเป็นจริงสรุปแล้วก็คือมีแต่พระเดชเป็นส่วนมากที่ใช้กับเขาแต่พระคุณมีน้อยเพราะนั้นหลวงพ่อเองขอฝากกับ้รหลูกพระหลานที่มาเข้ามาศึกษากับหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้มีพระคุณจะมากเป็นส่วนมากส่วนพระเดชหรืออย่างอื่นให้เป็นรองรอ ง, รองลงไป ให้มีพระคุณมีน้ำใจมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ชาติแต่พวกท่านทั้งหลายไปนสถานที่ใดจะมีเกาะมนุษย์ห้อมร้อมไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาเขาก็รำลึกถึงพระคุณของเราเราไปไปนสถานที่ใดมีแต่ความ สบายอกสบายใจจะไม่ดีกว่าหรือเพราะว่าชีวิตของพวกเราคิดคิดดูแล้วถ้าเราเองก็ไม่ทุกข์ไม่จนมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยตามอัตภาพถึงจะไม่ร่ํารวยล้นฟ้าแต่เราก็เหนือกว่าใครถึงลูกถึงหลานของเรา ล, ลูกของเราก็ได้เรียนหนังสือไม่แพ้กันเงินของเราก็มีเหลือใช้ อยู่ในความรบเย็นเป็นสุขแต่ไม่ได้มีเงินถึงร0 0ยล้านพันล้านแต่ว่ามีจากนั้นชีวิตของเราก็จะต้องจากไปอีกไม่ใช่เราจะอยู่โชวฟ้าตายไม่เป็นไม่ใช่เราก็จะต้องหนีออกจากโลกอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราควรจะฝากคุณงามความดีไว้ในโลก ฝากฝีมือไว้ในโลกฝากคุณงามความดีไว้ในโลกบ้างวันนั้นขอให้พระลูกหลานทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นพูดเหมือนกับรุนแรงในการพูดหรือว่าการแนะนาแต่ถ้าหากว่าพวกเรานาไปคิดนำไปพิจารณาหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าที่หลวงพ่อพูดออกไปนี้ เป็นแนวทางสำหรับพวกเราที่จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะคือทาหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไม่ให้ขาดตกบกพร่องอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระเนยหลวงพ่อก็พยายามหนักหนาขนาดไหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่พูดที่จะมาบวชหลวงพ่อก็รับ เ, ออเหมือนกับ น, นักโรงเรียนกินนอนรับหมดทุกอย่างเรื่องค่าอะไรหลวงพ่อไม่เคยคิด ไม่เคยคิดในใจว่าคนคนนี้เข้ามานักศึกษาผู้นี้เข้ามาค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ค่าน้ําเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่ค่าอบรมแนะนําสั่งสอนแต่ละครั้งเป็นเงินเท่าไหร่หลวงพ่อเองไม่เคยคิดเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเป็นเรื่องน้อยมากในใจของหลวงพ่อมีแต่ลวงพ่อมุ่งมั่นอยากจะให้พวกลูกหลาน เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีประเทศชาติบ้านเมืองจะได้ร่มเย็นเป็นสุขมิตรทุ่มจุดนั้นแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกับโลกเขาคิดหยุมมจิมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีในวัดของหลวงพอ่อหรือพวกท่านทั้งหลายได้ยินไหมหลวงพ่อว่าตอนบ่ายเลี้ยงน้ำเปปซี่โคลาลูกหลานองละเท่านั้นองละเท่านีน้คนละเท่านั้นเท่านี้มีไหมไม่มี พเรพราะหลวงพ่อเองไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตแต่หลวงพ่อเน้นเรื่องทุนธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานพอหลวงพ่อกระทําหน้าที่นี้ในหน้าหน้าที่เป็นพระเป็นครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกรุ่นพระสงฆ์น้องๆทั้งหลายลูกๆทั้งหลายให้เป็นพระที่ดีต่อไปจะได้นํำทำคําสอน ของพระพุทธศาสนาไปประกาศเผยแผ่ออกไปให้แก็บประชาชนจะได้ร่มเย็นเป็นสุขและพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็พยายามพูดอย่างมืดเช้าทุกเช้าหลวงพ่อสมัครใจพูดไหมบางทีก็พูดก็เหนื่อยบางทีก็นุ่นได้ทานย า, าแก้ไอไว้ซะก่อนเพื่อไม่ให้มันมีเสล่มันมีไอขึ้นม า, าแล้วยังค่อยพูดแต่ละวัน ถ้าให้สมัครใ จ, จเลยไม่สมัครใจพูดอย่างนั้นได้แต่คือหน้าที่หน้าที่นันคือการอบรมบอกกล่าวศีลธรรมพอรุ่นนี้มาควรจะได้ยินรุ่นนั้นมาควรจะได้ยินออมาแต่ละวันไม่ซ้ำหน้ากันมาจากจากตุรทิษจากเหนือจากใต้จากภาคเหนือภาคินใ น, ในเข้ามาถ้าเราถามดูแล้วก็ควรจะได้ยินเสียงธรรมะเอาไป จากนั้นก็แจก MP3 อีกต่างหาก MP3 นี่ก็ไม่ใช่ว่าเซคาตาฟูดฟาดเป็น MP3 มามาก็ต้องจ่ายเงินเป็นทีละหลายแสนบาทแต่ตุปใจที่ญาติโยมถวายผู้มีศรัทธาในเรื่องนี้ก็มีก็ได้แจกไปอีกเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้หลวงพ่อเองก็ไม่เคยคิดว่าข้าพระเจ้าแจกไปนี่ให้แต่คนรวยเอาเงินมาเท่า น, นั้นเท่า น, นี้ไม่คนยากคนจนมีศรัทธาเอา้าแจกไปหมดถ้ามาคนหนึ่งได้คน ที่หนึ่งมาไม่ได้เสียความรู้สึกแจกให้หมดให้ครอบคนเว้นเสียแต่ว่าเอาไปให้เกิดประโยชน์นะต้องถามเท่านั้นมีเครื่องฟังไหมถ้าไ ม, ไม่มีเครื่องฟังอย่าเอาไปนะ MP3 นะเอาไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่มีเครื่องฟังเหมือนพระได้หวีลักษณะอย่างนั้นแหละผมตัวเองไม่มีจะเห็นเขาได้ก็ได้ไปพอไปแล้วเหมืนเจะทายังไงวางไว้ที่ไหนก็เกะกะอีกจะโยนทิ้งก็ยังไงพระได้หวีคิดดูก็แล้วกัน อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อบอกกล่าวให้กับลูกหลานที่เข้ามาขอหลวงพ่อก็ให้อันนี้คือทําหน้าที่หน้าที่ของพระถ้าจะบรรยายไปแล้วก็มีมากมายทีเดียวการสงเคราะช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ออถ้าหลวงพ่อบรญญายไปวันนี้ลูกหลานคงไม่ได้ลาสิกษาเหมนนวันนี้ออที่หลวงพ่อได้ทา ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ผิดห้องประชาชนประเทศชาติแต่เอาเถอะอันนี้คือหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อมีหลวงตาพาดําเนินมาแต่ได้พวกหน้าที่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นแพทย์เป็นหมอก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายสํานึกสําเนียกว่าเราช่วยชุมชนสังคมอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างอยากจะให้พวกลูกหลานทั้งหลายเมื่อจบเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วให้ได้คิดในสิ่งเหล่านี้และก็พร้อมกันก็ ผู้ที่เป็นตำรวจทหารผีภากสาอายการกูบาอาจารย์หรือว่าทำใครหน้าทำหน้าที่อะไรใครรับผิดชอบบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นหน้าที่คนในชาติจะต้องช่วยกันคิดจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วจะใครจะจะดา่าใครก็ทําเป็นนักเลงในหมู่ในคณ ะ, ะเป็นนักหมัดนักมวย เป็นคนไม่ดีในชุมชนสังคมทําร้ายทําลายหมู่พวกเพื่อนทั้งทางตรงและทางอ้อมอคิดอะไรออกมามีแต่คิดเบียดเบียนมีแต่คิดรังแกมีแต่คิดอิจฉาพยาบาทในจิตในใจมีแต่คิดโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดอยากทํานองคลองทำทำําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วอีกต่างหากแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนวุ่นวาย แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะและก็พร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมในหลักธรรมคำสอนหลวงพ่อย้าแล้วย้าอีกที่พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคาสอนที่หลวงพ่อย้ำเราตายแล้วไม่สูญคำนี้ฟังเอาไว้ตายแล้วเกิดอกีกตายแล้วไม่สูญ หลวงพ่อกันให้เหตุผลว่าทำไมหลวงพ่ออินจึงยืนยันอย่างนั้นว่าตายแล้วไม่สูญเอาอะไรเอาหลักฐานอะไรมายืนยันหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาพในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาที่พุทธคยาที่วันตัสรุท่านนั่งขัดสมาธิปุเพในวาสานุสติยานลำลึกชาติทนลังได้จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านก็มานั่งภาวนาปฏิบัติท่านก็ลำลึกดูตนเองมองตัวเองได้หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็มั่นใจในทมคำสอนของพระทีเจ้าอีกพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าทำนั่งสมาธิจิตใจสงบลงไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถแต่รถ เ, เราใช้ไป มันหมดสภาพมันจะต้องไปทิ้งแน่นอนถ้าไมัขายเป็นเศษเหล็กเหมือนทุกวันสมัยก่อนเนี่พเด็กพอรถมันเสียแล้วก็ ย, ยกไปทิ้งไว้ที่พงเอพงหญ้ามีแต่หญ้าหุ่มไปหมดเจ้าของจะไปเฝ้าอยู่ที่นั่นได้หรอเจ้าของก็ต้องหนีจากรถไปหาซื้อรถคันใหม่ไปปฏิบัติสนที่ไปหาเกิดใหม่อีกเนี่แหละตัวผู้รู้ตัวรู้รู้จะไดตัวนี้แหละ คือใจพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญว่ามโนมโนก็คือใจใจก็คือผู้รู้ผู้รู้ก็คือในความนึกคิดคือวิญญาณสรุปแล้วก็คืออันเดียวกันเออแต่เรียกสับแสงคนละสับกันเท่านั้นเองเออแต่ในความความหมายจริงๆก็คือตัวที่รู้รู้อยู่ตัวนั้นละ่ะเรียกว่ามโนหรือใจมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ในความรู้สึกจะว่าอยู่ในสมองก็ใช่อยู่ในหัวใจก็ใช่อยู่ที่ไหนก็ใช่แต่คนโบราณเนี่ยขณะที่คนตายเนี่ยหัวใจมันหยุดเต้ น, นไม่ใช่สมองหยุดเต้นนะไม่ใช่สมองหยุดนะเพราะคนโบราณไม่มีเครื่องมือที่จะมาเอาเครื่องมือมาดูที่สมองว่ามันนึกคิดอะไรมีแต่ดูหัวใจมันหยุดเต้นที่ประจอหยุดเต้นแล้วก็แปลว่าตายคนโบราณก็เลยบอกว่าเนี่ย หัวใจใจผู้รู้ยอยู่ที่หัวใจเออพอมันจุดจุดนั้นพอมันจุดเต้นแล้วก็วหัวใจใจนันก็ออกลออกจากร่างแล้วคนโบราณเชืเอ่อว่าใจใจมโ น, โนคือใจผู้รู้คือใจพระพุทธเจ้ า, าให้ความสำคัญเรื่องของใจหลักของพุทธศาสนาอย่างหลุงพ่อย้ำแล้วเน้นอีกว่ามโนปุพัง ขมาธรร ม, มามโนเศรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละให้ลูกหลานทั้งหลายให้ศึกษารมจุดนี้ให้ศึกษาเรื่องของใจใจของเราเนี่ยมันคิดนึกคิดเรื่องอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณามานำเป็นวนทางนำนำใจของเราต้องหักล้างต้องหักล้างให้ได้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอย่างนั้นมันเห็นผิดได้ยังไงเพราะทำคำสอนหรือการประพฤติธปฏิบัติมาเราต้องปฏิบัติสิถ้านั่งจิตใจสงบแล้วมันจะเถียงใครเอาเราจะนั่งหรือสิ เราจะไม่กินข้าวสักสาวันสาคืนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ย อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถึงร่างกายของเราเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหงือดแห้งไปก็ตามเราจะไม่ลุกจากอาสน ะ, เ, ะเราจะให้ดูให้รู้ให้เห็น เ, เราทดทลองเลสิไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนั่งสักวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ขยับเลยนั่งพุโทโธอย่างเดียวบังคับใจให้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ ไม่ต้องถามใครเพราะเหตุใดเพราะใจกับกายกายกับใจมันอาศัยกันอยู่ในร่างเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานที่จะเป็นแพทย์ต่อไปภายภาคหนักเป็นแพทย์เป็นหมอต่อไปภายภาคหน้าให้ศึกษาธรรมะถ้าคนมีธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วคนมีคุณธรรมในใจิตในใจแล้วอยู่นสถานที่ใดตัวเองก็ร่มเย็นเป็นสุข ผู้อยู่ใกล้ชิดเราถึงจะมีภรรยามีลูกก็ร่มเย็นเป็นถูกเพราะเรามีธรรมพ่อแม่ของเราทุกฝ่ายก็ร่มเย็นสบายใจเพราะเรามีธรรมผู้ลูกน้องบริวาลที่เข้ามาใกล้ชิดเราก็สบาย อ, อกสบายใจ เ, เย็น อ, อกเย็นใจคนไข้คนป่วยที่เข้ามารักษากับเรา เ, เราก็ให้การรักษาเพราะเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม เขาก็สบาย อ, อกสบายใจร่มเย็นเป็นสุกต้นหน้ากันถ้าเรามีแต่กิเลสมีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตในใจใจของเราก็ร้อนอยู่แล้วถึงจะมีภรรยาถึงจะมีลูกเขาก็อยู่ด้วยลำบากอีกเหมือนกันพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งที่รักกับลูกที่เป็นหมอก็กอากรวนเหมือนกันเพอ้อเผลอช้ำอกช้ำใจกับลูกของตอนเองอีกต่างหาก ผู้ที่มาเกี่ยวข้องเหมือนกันทุกอกทุกใจอีกต่างหากมาหาหมอที่ว่าจะมาพึ่งหมอกลับมาเจออย่างนี้เข้าไปอีกแสดงว่าเราไร้คุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมในจิตใจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้พูดแบบสุดตรงให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาต่อนนื่องไปหลวงพ่อให้โอวาทกล่าวลาศิกาณ์นะ บัดนี้หลวงพ่อจะมาพูดเกี่ยวกับวินัยทีนี้ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ท่านบอกว่าก่อนที่จะทําการลาสิกขาควรจะทําความเข้าใจกับผู้ที่จะกล่าวลาสิกขาข้าพเจ้าจะลาสิกขาในครั้งนี้ไม่มีการขู่เข็นบังคับไม่มีการบังคับให้กล่าวคําลาสิกขา เพราะเป็นเจตนาของข้าพระเจ้าเองเพราะข้าพระเจ้าได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะลาสิกขาในวันนี้เพื่อจะได้ออกไปเพื่อการศึกษาดำเนินชีวิตครวดต่อไปไม่มีการขู่เข็นบังคับอะไรทั้งหมดถ้ามีการขู่เข็นบังคับว่าท่านต้องศึกนะไม่ศึกเราจะฆ่านะแต่เราก็ต้องลาสิกขา ถึงกล่าวจะลาสิขาถึงร้อยครั้งก็ไม่เป็นอันกล่าวลาสิกขาเพราะเจตนาของเราเนี่ยเราไม่อยากจะลาศึกแต่เราศึกไปตามที่เขาบังคับให้กล่าวไอ้นี่คือพ่อพินัยให้ลูกหลานให้เข้าใจเอาไว้นะถ้ามีเจตนาแล้วก็กล่าวเพียงครั้งเดียวก็เป็นอันกล่าวลาสิกขาถ้าว่าไม่เจตนาเขาขู่เข็นบังคับอยากจะกล่าวจักร้อยครั้งก็ไม่เป็นอันกล่าวลาสิกขาเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายก็ ตรงพ่อพูดให้ฟังนัคือพระวินัยพระวินัยคือกฎหมายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังว่ากฎหมายคือเป็นภาษาพูดต้องพูดให้ฟังเหมือนกับเราเห็นคนที่มาบวชผมขาวแล้วฟันหลุดหมดแล้วเราก็รู้อ่ะอันนี้มันเกินอายุเกิน20่สิบแน่แต่พระอาจารย์ทั้งสององค์ก็ยืนถามวีสติวัดโซซิคุณมีอายุครบ2ี่ส้อย่าง ฟังฟังดูก็น่าหัวเราะแต่มันหัวเราะไม่ออกเพราะเป็นภาษากฎหมายเป็นภาษาวินัยต้องถามต้องถามให้รู้ให้ประกาศให้สงได้รู้ว่า น, นี่คนคนนี้ยอาอยุครบยีแล้วนะ อ, อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันการที่หลวงพ่อพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่ก็เป็นการบอกกล่าวตามพระพินัยอันนี้ต่อไปให้พวกเราท่านทั้งหลายเนะหมั่นขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพ แล้วก็เมื่อเราออกไปเป็นคารวาสก็ให้ยึดแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดําเนินชีวิตหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าดําเนินชีวิตนั่นคืออะไรอันดับแรกก็คือยึดพระไตรยสารณคมนี่แหละยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งยึดคนดียึดผู้ดียึดรมคําสั่งสอนที่ดีเป็นแนวทางพระพุทธเจ้าไม่ให้เบียดเบียนพ้นอื่น ไม่เหยีลังแกคนอื่นแล้วก็ให้เป็นคนดีแล้วก็ยึดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทัานสอนไปดีแล้วแล้วก็ยึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านพาดําเนินพาปฏิบัติพวกเราก็เห็นว่าพระสงฆ์ที่ดีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุญยะสามีจิตเป็นพระสงฆ์ที่เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณทางด้านจิตใจ พวกเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวทางเป็นผู้นำประพฤติปฏิบัติแลวก็พร้อมกันเมื่อเราออกไปเป็นครวาสก็ให้อยู่ในคราวาสธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลายระดับครวาสธรรมธรรมของคราวาสสี่อย่างสัจจะการอยู่ด้วยกันการอยู่กับชุมชนสังคมอยู่กับใครก็ตามให้มีสัจจะคือความเจงจังและริงใจให้มีสัจจะต่อกัน ถ้าคนไร้สัจจะไม่มีสัจจะแล้วหาความเชื่อถือไม่ได้สัจจะธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนมเมื่ออารมณ์โมโหโกรธาขึ้นมาให้ข่มไว้ก่อนจากนั้นเราจะค่อยมาพิจารณาทีหลังผิดถูกยังไงถ้าไม่ข่มไว้ก่อนทําให้เสียหายได้ทําให้เสียผู้ใหญ่ได้เสียพ่อแม่พี่น้องหมู่พวกเพื่อนได้ไง่ายๆเพราะเราขาดการยับยัง้งการข่ม ความรู้สึกของเราธรรมะให้รูจ้จักข่มขันติให้มีความอดทนขันตินี่ความอดทนในที่ทุกสถานเมื่อเราออกไปเป็นกระว اة อดทนต่อคนดุดาว่ากาวอดทนต่อเย็นร้อนอ่อนแข็งเตียนยนต์ก่อนหนาวหนิวกระหายมีมากมายในการอดทนเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน คนที่มีความอดทนสูงจะสวยดูแล้วก็ไม่วู่วามไม่แสดงอกับกิริยาผู้ที่อยู่ใกล้ก็สบายใจเพราะมีความอดทนสูงถ้าคนที่กดความอดทนน้อยไปอยู่กับใครผู้ที่อยู่ด้วยก็อึดอัดเพราะขาดความอดทนอันนี้นก็คือคันติจาคะการรู้จักแบ่งปันที่ เราได้มาโดยชอบทำหาเงินได้มาแล้วก็แบ่งให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายผู้ที่สมควรจะให้มากน้อยเป็นบางครั้งคราวแต่เกิดทำไม่ให้ทำตัวเองเดือดร้อนแต่ควรจะแบ่งเพราะท่านเหล่านั้นมีเป็นผู้มีพระคุณนักบรราคะรู้จักแบ่งสิ่งของลวกให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้กับผู้คนที่ด้อยกว่าผ่วยสงเคราะห์นุเคราะห์เมื่อเขามีความจาเป็นน้าท่วมไฟไหม้ เรื่องมีอะไรเกิดขึ้นเราควรจะแบ่งให้เขาบ้างไม่ใช่จะเก็บเห็นแก่ตัวทั้งหมดนี่แหละคารรมธรรมของคารวะสัจจะธรรมขันติจาคะแล้วก็การดำเนินชีวิตทรรธรรมทรริธรรมมีกติประโยชน์คือประโยชน์ของนนในปัจจุบันมีอยู่4อย่าง อุทาณะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรคะสัมปทาเมื่อหมั่นขยันหาทรัพย์มาได้แล้วหายศตตำแหน่งมาได้แล้วเราเรียนหาวิชาหมอเนี่ยได้เรียนจนจบหมอได้ใบประกอบโรคศีลมาแล้วแต่เราทําไม่ดีทําตัวไม่ดีไม่รักษากินเหล้าเมายาทําอะไรที่มันผิดกฎ ตีใบประกอบโรคสินเขาถอดถอนใบประกอบโรคศี <Yeah. S 1> เลเรียกว่า <Yeah. S 1> เงินคําทรัพย์สบัติอันตรธานหายไปอันนี้แปลว่าไม่รักษาอารักขาขาดการอารักคคือการรักษา <Yeah. S 1> ข้อที่สามกัลยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามออกไปนั้มีทั้งหมูเพื่อนดีชักชวนไปกินเหล้าชักชวนไปขายยาบ้ายาม마ชักชวนไปในทางทําในทางที่ไม่ถูกต้องเราต้องเลือกแฟ้นคบถ้าคนไม่ดีเราอยา่าคบ ถอยห่างอันนี้ว่ากัลายาณมิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีงามสำ ม, มาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปทําอะไระมาเลี้ยงชีวิตของเราที่ทําไม่ถูกพูดง่ายๆเป็นมิจฉาชีพไปยทำที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกไม่เป็นธรรมทำให้คนอื่นระร้อนมาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้เป็ว่า สำ ม, มาจีวิตาไม่เป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามถ้าสำ ม, มาจีเวตาเนี่ยเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามธรรนองคองธรรมถูกต้องตามมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันมีการเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกันแต่เราก็ทาํามาค้าขายในเพื่อนมนุษย์ชาติด้วยความเมตตาต่อกันนี่แหละทำของครวญที่จะทำมิเกิดประโยชน์ อุทาณาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหม่านความขยันอรคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์หน้าที่ตำแหน่งเอาไว้อย่าให้เสียหายกระยาณมิตรคบเพื่อนที่ดีงามซ้ำ ม, มาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อ, อย่าหลอกลวงอย่าปล้นอย่าคดอย่าโกงเของมาเลี้ยงชีวิตเราเอันนี้ก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ะตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่ อันนี้ก็ควรจะสำนึกเอาไว้อีกเหมือนกันไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้าคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีนให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ก็เป็นหนทางแห่งความชิบหายถึงจะหาเงินมาได้มากขนาดไหนก็เถอะถ้าว่ามันอยู่ในสี่เครือขาย4อย่างนี้หาความเจริญ นังในโพกทัพย์ยากไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วก็คือเงินรถเลืสิ่ ง, ขอ ง, ข, องของมาใช้ในบ้านของเรามีคนขโมยไปเพมันหายไปแล้วก็แล้วไปหามาไม่หายไปผลในสุดไม่รู้จักทางไปทางมามีแต่ขนมาแล้วก็เขาก็ขนไปอันนี้คำว่าไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วแต่มันหายใครเข้ามาในช่วงนั้นมันหายไปได้ยังไงใครเป็นคนเอาไปถ้าเราใจใจสมบัติของเราก็จะอยู่ อันนี้อันนี้ว่าไม่สแสวงหาหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้าค่าเสื้อผ้าของเราขาดนิดหน่อยน่าจะเย็บซะแล้วก็จบใครก็มองไม่เห็นเสื้อผ้ามันขาดนิดหน่อยเย็บเราก็ใช้ไปอีกตั้งหลายปีถ้ามันมีตำหนิน้อยก็ทิ้งโยนทิ้งรองเท้าโยนทิ้งรถราขายทิ้งออกไปพ้นที่สุดเออเราก็แจ้งได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะไม่ไม่บูรณะพัสดุที่ค้าค่า ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอันนี้เ อ, อแย่ตัวนี้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัตินค่อยๆกับว่าตัวเองมีเงินเดือนขนาดนี้เราใช้จ่ายเกินตัวน เ, ตเนี่แหละจีบหายเลยเถอะในฐานะของเราควรจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไปทํางานก่อนแต่เราก็ซื้อรถจนตก็เป็นหนี้สินจากนั้นก็ซื้อรถจนต์ญี่ปุ่นก็น่าจะพอจไปซื้อรถยนต์ฝรั่ง ราคาแพงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แปลว่าไม่รู้จักฐานะของตนเองไม่รู้จักเรื่องของตนเองไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติข้อที่4ตัวนี้ยิ่งจิบหายใหญ่ตั้งสตรีหรือบุตรทุศินให้เป็นเจ้าของสมบัติถ้าเราแต่งงานไปเรามอบความไว้บังใจกับแฟนของเราแต่แฟนของเราเป็นคนใจใหญ่ เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเป็นคนชอบสังคมเป็นคนใจใหญ่ใจจ่ายเงินมากมือเติบ เ, เขาก็หาเงินไม่เป็นอีกต่างหากเราเป็นคนหาให้หาให้มาเท่าไหร่ก็มอบเราก็มอบความไว้วางใจกับเขาเผลที่สุดเขาก็ใช้ผลที่สุดตระกูลหรือครอบครัวของเราแจ้งได้ไง่ายๆไปฝากมอบความไว้วางใจกับชติหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับ ลูกหลานทุกคนนะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเรานํามาคิดนํามาพิจารณาแล้วยังทันสมัยอยู่นะยังทันสมัยอยู่เพราะฉะนั้นฝากไว้กับลูกหลานทุกคนตอนนี้ไปรับพระไตรยสรารณคมพร้อมกับศีล น, นะนโมตัสสะภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ